ศา ส, สนาเป็นทั้งเครื่องประดับให้สวยงามทางกายวาจาใจเป็นทั้งเครื่องส่งเสริมการตระพืชปฏิบัติหน้าที่การงานและเป็นเครื่องรักษาทรัพย์สมบัติได้ดีไม่มีอะไรที่จะเปินศาสนาพูดถึงเรื่องความดีทั้งหลายความ สวยงามความเรียบร้อยเป็นเรื่องที่ศาสนาได้สั่งสอนไว้หมดไม่มีใครที่จะสั่งสอนได้ละเอียดและออยิ่งกว่าศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งคือผุ้ศาสนานี่แหละเป็นสำคัญคำว่าศาสนาเป็นเครื่องประดับกายวาจาใจนั้นประดับอย่างไรคือธรรมราศาสนาเป็นสิ่งที่งาม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 ที่เกี่ยวกับมนุษย์เราเป็นคนหมู่มากหรือจะเรียกว่าสัตว์หมู่ก็ได้นื่งจากมนุษย์เราอยู่คนเดียวไม่ได้เหมือนสัตว์บางประเภทซึ่งเขาอยู่ตัวเดียวเขาก็สบายสบายแต่มนุษย์เราจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้ต้องมีหมู่มีคณะมีครอบครัวตั้งบา้านตั้งเดือนตัง้ตงตำบลอำเภอจังหวัดมณฑลประเทศ ร่วนแล้ตั้งแต่เป็นกลุ่มของมนุษย์ทั้งนั้นของนับตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปย่อมมีการกระทบกระเทือนกันได้เช่นลิ้นกับฟันแม้จะทำงานเพื่อผลประโยชน์แจ่ร่างกายาธาตุขันทั้งเราก็ตามแต่ก็พ้นที่จะกระทบกันไม่ได้บางครั้งฟันกัดลิ้นเลือดาสาดเราก็มี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 มีระมัดระวังแล้วทั้งสองนี้ก็ทำประโยชน์ให้แก่เจ้าของโดยสมบูรณ์มันมีความบกพร่องความบกพร่องจะไม่ขึ้นอยู่กับลิ้นและฟันแต่ขึ้นดกดยเจ้าของผู้รับผิดชอบไม่มีสติสตางไม่ระวังระวังตัวเองนี่แล้วพูดถึงเรื่องท้งเรื่องการรักษาหรือ <c oughs> การกระทบกระเทือนแม้แต่ลิ้นกับฟันซึ่งเป็น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 วาจาที่แสดงออกแต่ละประโยคแต่ละคำที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดตามธรรมดาเราพูดคนเดียวไม่ได้นอกจากอ่านหนังสือหรือสวดมนต์ไหว้พระเราต้องพูดกับคนพูดกับเพื่อนฝูงหรือกใครก็ตามการพูดต้องได้ระมัดระวังในคำพูดที่จะเกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนจิตใจกันซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ถ้าเรามีสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาอยู่นั่น คำพูดก็เป็นเครื่องสมัครสมานและเต็มไปด้ยเหตุด้วยผลผู้ฟังย่อมได้รับความเข้าใจและทราบซึ้งทางด้านจิตใจก็คิดแต่ในแง่ที่ดีก่อนที่จะระบายมาทางกาทางวาจาต้องการกรองออกมาจากใจเสีก่อนใจใจเป็นผู้บ่งการบ่งงานถ้าใจได้รับการพิิจพิจารณาลึกการกรองมาด้วยดีแล้วการระบายออกก็เป็นทางที่ถูกทั้งนั้น อุตุนศาสนาการจับใจ่ายใช้สอยทุกประเภททุกขแขนงก็จับใจ่ายใช้สอยเอาไปเพื่อผลประโยชน์จริงๆไม่ใช่ใจ่ายเอาไปแล้วเงินก็เสียไปใจเจ้าของก็เสียไปด้วยแล้วทำความเคยชินแก่จิตใจจนกลายเป็นคนใจรั่วเก็บอะไรไม่อยู่นี่ถ้าไม่มีธรรมมันด้วได้ใจคนเรา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 และเป็นเครื่องรักษาก็คือรักษาเราให้เป็นคนทั่วเพราะศาสนาท้าไม่สอนให้คนเป็นคนทั่วเดี๋ยวรักษาบำรุงทั้งด้านจิตใจและทรัพย์สมบัติหรือรักษาจิตใจและทรัพย์สมบัติเงินทองได้เป็นอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลศาสนาจึงเป็นความจําเป็นแล้วคําว่าศาสนาเป็นสมบัติกลาง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 เราได้เกิดมาในถ้ำกลางแห่งพุทธศาสนาคือความเป็นมนุษย์เป็นซึ่งเป็นสถานกลางแห่งศาสนาอย่างยิ่งและรู้ดีรู้ชั่วทุกสิ่งทุกอย่างยิ่ยงเป็นผู้มีความคล้ยความมโนสายต่อศาสนาด้วยแล้วใจก็เป็นพาชนะอันเหมาะสมที่สุดกับศาสนาด้วยศาสนาอันแท้จริงนั้นดูที่ใจของพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าสอนคนทั้งนั้น ไม่ใช่อยู่กับคนนั้นไม่ใช่อยู่กับคนนี้โดยเฉพาะหรือโดยผูกขาดแต่ศาสนาเป็นสมบัติกลางผู้ใดน้อมมาประพฤติปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์แกตนเองผู้นั้นก็มีคุณค่าผู้นั้นก็มีอัตมีธรรมภาณในจิตใจได้รับผลประโยชน์จากการประพฤติปฏิบัติศาสนาจึงไม่ใช่เป็นของคนนั้นคนนี้แต่ที่โลกกลายที่ศาสนากลายเป็นโลกไปนั้นก็เพราะโลกพาให้เป็นไป ผู้นับถือศาสนาเลยเอาศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าตบต่อยชกตีกันด้วยวาทะคำพูดว่าศาสนาฉันดีศา ส, สนาแกไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นหรือศาสนาเลยเป็นเครื่องมือให้ทะเลาะอีวาศกันนี่เป็นความเห็นผิดของผู้ถือศาสนานั้นๆที่ไม่เข้าใจเรื่องศาสนาตามหลักธรรมชาติหรือตามหลักความจริงจะเป็นศาสนาใดก็ตามก็อสอนคนให้ดีเราเถือความดีจากการปฏิบัติศาสนาเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ไม่ต้องเอาศาสนาไปเที่ยวเป็นเครื่องมือโอ้อวดรืออะไรต่างๆแล้วการปฏิบัติศาสนาเราจะปฏิบัติอย่างไรจะปฏิบัติที่ไหนที่เหมาะสมที่สุดกับจุดแท่งศาสนาที่สั่งสอนไว้แล้วก็ได้แก่ปฏิบัติต่อตัวของเราเอง ตัวของคนเรานี้ถ้าพูดถึงเรื่องความดื้อด้านความคึกขนองความเหลวไหลความซอกแซกซึกแซกส่วนมากในทางที่ไม่ดีไม่มีใครที่จะเกินหน้ามนุษย์เราทั้งฉลาดด้วยทำได้ทุกแน่ทุกมุมที่จะทำทางชั่วก็ฉลาดทาแต่ทางดีแม้จะฉลาดก็ไม่อยากทำ เพราะฉะนั้นาศาสนาจึงควรแกะมนุษย์ผู้รู้ดีรู้ชัวรู้บุญรู้บาปแล้วสอนตัวของเราเพราะเรามั น, มนไม่ดีทำไมถึงว่าไม่ดีถึงเราไม่ไปปล้นบ้านปล้นเรือนไปฉกรักขโมยเขาก็าตามแต่มันก็มีความเื่อด้านอยู่ภายในตัวของเราเองฝืนตัวเองปีนเปลียวตัวเองปีนเปลียวคําจริงปีนเปลียวหลักธําคือาศาสนาอยู่โดยไม่รู้สึกตัว ยิ่งผู้ไม่มีศาสนาเลยนั่นเราก็ไม่นับเข้ามาในบัญชีนี้นี่เราหมายถึงตัวของเราเองผู้นับถือศาสนาแล้วตาหนิเราบ้างเพื่อจะเห็นทางแก้ไขเห็นจุดบกพร่องของเราจึงเรียกว่าเราดือ้อถึงจะพาสวดมวนต์ไหว้พระอันี้ขี้เกียจน่ะมันดื้อตรงนี้ดื้อตรงขี้เกียจไม่อยากทำํำจะนั่งภาวนาชั่วการชั่วระยะพุโทโธธรมสังโฆยังไม่ได้ถึงสามลมหายใจ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 เพราะเราต้องการความสมานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่มีอันใดที่จะสนิทติดแนบยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยาที่มีความเชื่อถือและติดแนบกันถ้าสามีภรรยาลงกันไม่ได้ก็กแสดงว่าครอบครัวนั้นแตกลูกเต้าเหล่ากอทั้งหลายก่อหาความร่มเย็นเป็นจุดไม่ได้ น, นี่คืออะไรคือขาดการรักษาตนด้วยศาสนาเราไม่ได้หมายถึงว่าว่าคน น, นนั้นคนนี้ เราพูดถึงเรื่องธรรมซึ่งเป็นส่วนกลางแยกไปแต่ตัวของเราเองโดยเฉพาะออกไปสู่ครอบครัวสู่สังคมกว้างแคบไปตามลําดับกำนาถ้ามีธรรมเป็นเครื่องปฏิบัติรักษาด้วยแล้วก็จะมีความสงบร่มเย็นไปหมดตัวของเราเองก็ไม่เดือดร้อนแม้ผู้ใดจะมาตามําหนิปีเตียนเราว่าทําไม่ถูกระหว่างสามีภรรยาต่างคนก็ต่างมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะความไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ประพฤติตัว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 ใจเป็นผู้กอ่อต่างหากเมื่อใจก่อขึ้นแล้วก็ น, นําเงินมาเป็นเครื่องมือก่อเรื่องความไม่ดีขึ้นมาเงินก็เลยกลายเป็นเครื่องมือแห่งความไม่ดีแล้วก็นําไฟมาเผาตนเองอันเป็นสปายผลไปเสียแล้วเราจะหาความสุขความสบายได้อย่างไรถ้าเราเป็นเจ้าของสมบัติไม่สามารถจะปฏิบัติตัวให้รอบครอบต่อตอนเองและสมบัติแล้วสมบัติกไ็ไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้มีสมบัติด้วยความเป็นเช่นนั้นของของตนนี่ พระพุทธเจ้าท่านสอนให้รักษาตนอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติศาสนาคือรักษาตนมีอยู่กี่คนด้วยกันก็ให้รักษาน้าใจกันให้รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วยอมรับผิดกันไม่ว่าภรรยาผิดยอมรับสามีผิดยอมรับลูกเต้าผิดยอมรับยอมรับกันคนเราให้อภัยกันได้คือยอมรับแสดงว่าการยอมตนเห็นผิดดูด้วยกันได้ถ้าไม่ยอมรับดูด้วยกันไม่ได้ไม่ว่าอะไร เมือนอย่างโรคไม่ไม่ยอมรับยาเลยจะต้องแตกทลายไปเสียเดียวกําเริบไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายไม่มีเลยถ้าโรคยอมรับยาบ้างมีทางหายนะเนี่ยเราพูดในขั้ น, หนแห่งธรรมที่ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลายได้พิพิจารณาว่ า, าศาสนาคืออะไรอยู่ที่ไหนาศาสนาอยู่ที่ใจเป็นสําคัญ ใจเป็นภาชนะสำคัญที่สำหรับรับรองศาสนาฉะนั้นจึงควรปฏิบัติต่อใจของตนให้ดีนำมาเข้มงวดกวดขันต่อความประพฤติความรู้ความเห็นคำพูดคำจาอันใดผิดอันใดถูกบวกลบกันให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วลปฏิบัติไปในแ น, แนวที่ถูกต้องเราก็มีความร่มเย็นวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปไปเ ป, ป่านั้นมีเยอะ คือไม่ให้ผ่านไปก็ควรจะให้มีคือผ่านไปจริงแต่งานของเราที่จะพึงได้รับผลประโยชน์ทั้งภาย น, นอกภายในก็อย่าให้ผ่านไปด้วยไมลร่ำไลานั้นหน้าที่การงานเราเกิดมากับโลกที่มีการมีงานเกิดมากับโลกด้วยความยุ่งเหยิงเขายุ่งเหยิงเราต้องยุ่งเหยิงเขามีงานเราต้องมีงานเพราะมีปากมีเท้ามีท่ามีขันที่หยจดเป็นเครื่องรบกวนเราให้ต้องหางานมาเพื่อผลประโยชน์ได้เข้ามาบํารุงรักษา ก็ต้องได้จัดได้ทําอยู่เฉยๆไม่ได้นี่เราก็ทราบด้วยกันทุกคนแล้วนี่คืองานชนิดหนึ่งแต่งานทางด้าน จ, จิตใจได้แก่ศีลจะทําที่จะบํารุง จ, จิตใจให้มีความชุ่มเย็ยนและมีความร่มเย็ยนเป็นสุขภายในจิตใจของเราและครอบครัวนั่นเป็นงานอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นงานสําคัญอยู่มากได้แก่กิตตภาว น, นาได้แก่การประพฤติศีลประพฤติธรรมทานเราก็เคยได้ทํา มาเป็นประจำนิสัยของเราตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราพอเข้าใจศีนก็เคยได้รักษามามาบ้างพอสมควรศีนห้าคือคืออะไรศีนห้านปานาคำว่าปานาหมายถึงอะไรหมายถึงชีวิตทีเดียวโลกอันนี้มีอะไรที่สำคัญก็คือชีวิตเป็นสำคัญสำหรับสัตว์และบุคคลนอกนั้น เป็นสิ่งเป็นผลถลอย ไ, ได้ไม่ใช่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อันสําคัญไม่ใชเป็นแก่นแห่งความสําคัญอันใดเลยนอกจากชีวิตคือความเป็นอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของสัตว์โลกว่าอะไรเป็นจุดสําคัญของสัตว์โลกที่รักที่สงวนที่สุดคืออะไรได้แต่ชีวิตเพระาะนั่นท่านจึงห้ามปานาไม่ทําลายสัตว์เบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนใครก็ตามคนก็ตามทําลายใครก็ตาม คนหรืสัตว์ก็ตามเป็นสิ่งที่ทําลายความสําคัญของเขาที่เป็นจุดอันสําคัญที่เขารักเขาสงวนมากที่สุดไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ไม่ได้เข้าโรงเริ่นโรงเรียนก็ตามถึงเรื่องความรักความสงวนหรือความกลัวตายนี้กลัวด้วยกันรู้รู้ด้วยกันสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้ความกลัวก็รู้กลัวตายนั่นแหละเป็นสําคัญไม่ต้องไปเข้าโรงเริ่มโรงเรียนสัตว์เขามีโรงเรียนเขาก็รู้เขาก็กลัวตายเพราะความตายเป็นสิ่งสําคัญทําไมสัตว์จะไม่รู้ ความรักสงวนในชีวิตสัตว์รู้ด้วยกันทุกคนวิ่งหนีแทบล้มแทบตายจนทนไม่ไหวตั้งยอมตายก็เพราะความรู้เพราะความกลัวเพราะความรักสมวนในชีวิตนี่พระพุทธเจ้าท่าทรงเลียงเห็นเหตุอันสาคัญเหตุผลอันสําคัญอย่างนี้จึงต้องบัญญัติปาณาทิบาตไม่ทําลายกันเบียดเบียนกั น, นเมื่อต่างคนต่างอยู่ด้วยความเ่วมดเบียนเป็นสุขเห็นชีวิตของเขาของเราของสัตว์ของมนุษย์มี สิงที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเป็นอยู่ด้วยกันแล้วก็ทํากันไม่หลงเมื่อทํากันไม่ลงก็เรียกว่าโลกนี้มีความร่มเย็นเพราะไม่ทําลายซึ่งกันและกันนานอธินาสมบัติของใครๆก็าตามมีคุณค่าสําหรับของมีคุณค่าสำหรับผู้นั้นด้วยกันทั้งนั้นแม้เข็มเล่มหนึ่งก็มีคุณค่ามีเป็นของสําคัญเราอย่าพูดตังหวัดมีมากยิ่งกว่านั้นเลยเราพูดตั้งแต่เข็มเล่มหนึ่งขึ้นไป เป็นสิ่งที่เจ้าต้องรกักต้องสมวนต้องถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองโดยสมบูรณ์จิตใจก็มาอยู่ที่สมบัตินั้นการทําลายสมบัติจึงเป็นการทำลายจิตใจของผู้เป็นเจ้าของสมบัติด้วยกันพระเจ้าก็เล็งเห็นถ้าเราจะให้ทานผู้ใดไปเนี่ยมากกว่านั้นเราให้ได้เพราะให้ด้วยน้ําใจเป็นการเสียสละเป็นการแงให้กันด้วยน้ําใจลูกกันทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็ให้บริสุทธิ์ด้วยความรู้สึกใจด้วยความพอใจผู้รับก็รับด้วยความรูรมร้สึกใจไม่เป็นทุกขเป็นภัยอะไร ให้กันมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเสียหายเพราะให้ด้วยน้ำใจแต่การโฉบการขโมยกันนี้เป็นการทําลายจิตใจนอกจากทําสมบัติของเขาให้สูญหายไปแล้วการทําลายจิตใจเป็นสิ่งใหญ่โตมากยิ่งกว่าสมบัติที่สูญหายไปเพราะการขโมยนั้นนานท่านเห็นความสั้งผ่านอย่างนี้ท่านจริงทรงบัญญัติในข้อ น, นี้ไว้พวกเราไม่เห็นความทํางัญเพราะเราไม่เคยคิดเคยอ่านเคยตรองพระพุทธเจ้าทรงทราบด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกประการตลอดถึงด้วยพยานของพระองค์เองด้วยนะ การเมซุมิจชาจานคืออะไรนี่ก็คือหัวใจของระหว่างสามีภรรยาซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากโลกนี้จะหนักขนาดไหนไม่ได้หนักยิ่งกว่าระหว่างสามีภรรยารักกันหนักกว่ากันนี่อันนี้เป็นสิ่งที่หนักมากทําลายจิตใจกันด้วยวิธีการเมซุมิชาจานจึงเป็นการทําลายอย่างใหญ่หลวงทีเดียวโลกแตกฆ่ากันไดน้เพราะเจ็บใจแช้นใจทนไม่ไหวก็ต้องออกในทางนั้นคือในการทําลายฆ่ากันได้ นี่โลกมันแตกพ่อนี่พระองค์ก็เห็นสิ่งที่รักที่สงวนมากคืออะไรระหว่างสามีภรรย า, ญญาหรือลูกเต้าเราก็คลองไรใครก็รักใครก็สงวนใครไปล่วงล้ำไปทําลายเนี่ยใครจะไม่เสียใจฆ่ากันได้อ่ะยกตัวอย่างใกล้ๆที่หนึ่งงตาบัวมีเมียสักคนมีลูกสาวสักคนแล้วใครเรามาล่วงล้าหลวงตะบัวเมียหลวงตาบัวฆ่าคนมันห้าศกยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าได้ฆ่าคนเอามาล่วงล้าลูกของหลวงตาบัวพี่ ฆ่าอีวันหนึ่งกี่ศพแราะถ้าไม่อยากตายลหลายหลายศพอย่าล่วงล้ำเข้ามาอย่าทะลึ่งเข้ามาทะลึ่งเข้ามาเท่าไรเป็นหมดไม่มีเหลือะเพราะเหตุไรอ่าวเมียหลวงตาบัวบ้างหอ่อยไม่ใช่เมียของใครี่เมียหลวงตาบัวลูกหลวงตาบัวรู้ไหมว่าลูกหลวงตาบัวหลวงตาบัวมีความรักความสงวนขนาดไหนถ้าไม่อยากตายอยากอยากเข้ามานานนี่ ย, ยกตัวอย่างนะแต่นีด้ดีหลวงตาบัวไม่มีเมียได้ไม่ได้ฆ่าคน อ้านี่ข้อที่สามเราเห็นความสาคัญไหมนี่สําคัญขนาดนั้นล่ะอะไรก็ตามจิตจดจ่ออยู่กับผัวกับเมียกันเท่านั้นเป็นจุดใหญ่สําคัญระหว่างสามีภรรยาและลูกต้าของตนนี่เป็นจุดใหญ่มากการทําลายกันอย่างนั้นจึงเป็นการทําลายกันอย่างที่ไม่มีอะไรที่จะให้อภัยกันเลยนอกจากแหลกเป็นทะเลไปเลยหรือเป็นใส่ไปเลยเท่านั้นีน่แล้วมูสาเราต้องการไหมว่าในโลกนี้ พูดออกมาคำใดมีแต่โกหกกันทั้งเพ่ใครพูดกับใครก็ตามผู้ใหญ่พูดกับเด็กก็ตามเด็กพูดกับผู้ใหญ่ก็ตามระหว่างสามีภรรยาพูดต่อกันก็ตามใครๆก็ตามทั้งโลกนี้พูดแต่คำโกหกกันทั้งนั้นหาความจริงหาสาระที่จะเชื่อถือกันไม่ได้เลยเราต้องการหรือโลกอนนี้มีแต่โลกโกหกอย่างนี้กันทั้งโลกแล้วโลกนี้อยู่กันได้หรือกว้างแสนกว้างอยู่กันไม่ได้เพราะหาความตัดความจริงต่อกันไม่ได้เลยนัหลองพินาศ สำคัญไหมคำพูมเห็นว่าไม่เห็นรู้ว่าไม่รู้ความจริงเป็นอย่างหนึ่งแต่พูดไปอย่างหนึ่งนหาความสัดความจริงหาความไว้วางใจไม่ได้เลยจะอยู่กันได้อย่างไรระหว่างสามีภรรยาก็อยู่กันไม่ได้ลูกกับพ่อกับแม่ก็อยู่กันไม่ได้ถ้าขาดศีลทําข้อนี้เสียเท่านั้นโลกนี้จะหาความจัดความจริงไม่ได้เลยแล้วฆ่ากันแหลกอีกเหมือนกันเพราะโกหกนี่ว่างไง น, นี่อันหนึง่งเราพูดยอ่อๆเพราะเข้าใจแล้วสุรา เราเคยเห็นไหมคนเมาสุรามันเป็นคนชนิดใด <c oughs> ไม่ได้ไม่ดื่มสุราเป็นยังไงเป็นคนดีๆเราธรรมดานพอดื่มสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าขึ้นทันทีโดยไม่ต้องไปหาทำอะไรลเลอไม่ต้องไปเรียนวิชาบ้ามาเลยมันเป็นบ้าขึ้นทันทีทันใดโง่ที่สุดก็คือคนเมาเหล้ า, าแล้วอวดฉลาดที่สุดก็คือคนเมเล้าูดไม่รู้จักจบก็คือคนเมาเหล้า แล้วที่นี่ต่างคนต่างเมาเหล้าเมาสุลาด้วยการเกลื่อนกาดอยู่ตามถนนท้องทางไม่ว่าเขาว่าเราเต็มไปหมดตั้งแต่คนเมาสุลาเราดูได้แล้วหรือโลกกว่า น, นี้เกลื่อนไปหมดตั้งแต่คนเมาเราดูดูได้ไหมท่านไม่อยากเห็นคนประเทศนั้นที่โลกนี้ทั้งโลกแล้วมีแต่คนมึนเมาทุราเกลื่อนเต็มโลกหาคนที่เป็นสาระหาคนที่เป็นศีลธรรมหาคนเป็นผู้มีสติสตังสักคนนึงไม่มีมีแต่คนเป็นบ้าพ่อพิชซุลาซะทั้งหมด และโลกนี้น่าอยู่แล้วเหรอแล้วไม่ต้องพุดอื่นกายเลยแล้วพูดในครอบครัวของเราเพียงเท่านั้นลูกกี่คนก็เป็นบ้าสุลากันหมดเมาสุลากันเกลื่อนนอนเกลื่อนอยู่ตามหน้าบ้านหน้าเรือนหลังเรือนที่ไหนแล้วเมียก็เมาผัวก็เมาเมาไปหมดจนกระทั่งเป็ดไก่เมาไปหมดดูได้ไหมสุลามันดีไหมพี่นายนี่แหละเรื่องความไม่ดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามจึงห้าม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 ไม่ว่าเขาว่าเราเข้าจะเข้ากันได้หมดไม่ว่าสามีภรรยาใครไปพบค้าสมาคมกันไม่มีความระแวงแคลงใจว่าจะเป็นอะไรต่อกันเพราะศีลทำเป็นรั้วกั้นต่างคนต่างรู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกรู้ของเขาของเราแล้วงานหน้าที่การงานทําไปผลประโยชน์ก็ได้แต่เรื่องคนที่ให้เกิดเป็นอย่างนั้น <S <S เป็นไปไม่ได้เพราะศีลทำบังคับี่จะมาเย็นได้อย่างไรความเชื่อใจกันต่างคนต่างก็เชื่อใจกัน ไม่ทำในสิ่งที่ฝืนจริงมาทํทำโลกก็เย็นายนานนี่เรียกศีลนี่ทำเท่าทนี้ภาวนาทำลราให้เราฝึกขัดบ้างการภาวนาอย่างน้อยก่อนจะหลับจะนอนให้ไหว้พระไม่ได้มากก็อรหังส ม, มาสขขาวดคาโตสุปฏิพนูย่อๆแล้วก็นั่งจับผ้าเพียบหรือขัดสมาเทร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 เรียกว่าบ่แห่งความสุขอยู่ที่ตรงนั้นความสุขเกิดขึ้นจากความสงบนัตติสันติพลังสุขแข็งขความสุขอื่นใดให้เสมอความสงบไม่มีความสง บ, บนี่หมายถึงความสง บ, บใจสงบภายใ น, ในใจิตใจมีความเย็นสบายพากันฝึกหัดภาวนาอย่าให้เสียธาตเสียทีเสียเวล่ำเวลา การเวลาผ่านไปผ่านไปชีวิตติตใจแล้วสังขารร่างกายเราก็ค่อยผ่านไปร่วงรวยไปเทีเยนเล็กก็น้อยไปขาดไปวินาทีขาดไปหนึ่งนาทีขาดไปหนึ่งชั่วโมงเพราะเวลาเวลานี้กินอยู่ตลอดจะหลับตื่นลืมตาอะไรก็าตาม <c oughs> การกินของเวลาเวล า, วลาที่เกี่ยวข้องกับสังขารร่างกายเหล่านี้จะไม่มีหยุดมีตั้งเอไม่มีวันเสาร์อาทิตย์วันพระวันโกนอะไรอ่ะกินกันไปเรื่อยๆ ค่อยหมดปไปไปสมมุติว่าเรามีอายุหนึ่งร้อยปีนะขณะนี้วินาทีกินไปต่อไปนาทีกินไปชั่วโมงกินไปกินไปตั้งแต่โ น, โน้นะตั้งแต่วันปฏิทินที่วิญญาณมาโดยลำดับๆแบบกินไม่หยุดไม่ถอยคิดไปทั้งเราที่มีมีประมาณร้อยปีนั้นจะทนนานเท่าไหร่มันต้องถึงวันสุดท้ายจนได้คือหมดเพราะ วินาทีนาทีชั่วโมงเดือนปีกินไปโดยลําดับๆจนกระทั่งหมดไม่มีเหลือนีแล้วเวลานี้ของเรายัางเหลือเท่าไหร่เดือนปีนาทีโมงมันกินไปมากน้อยเพียงไรและยังเหลือเท่าไหรที่ส่วนเหลือที่ควรทําประโยชน์อะไรบ้างเราต้องรับดูประโยชน์ทางโลกเราก็ให้ได้ประโยชน์ทางธรรมคือสมบัติของใจโดยเฉพาะที่เรียกว่าบุญบุญซึ่งเกิดขึ้นจากการประกอบคุณงามความดีมีทานศีลภ า, นาวานาเป็นต้นก็ให้ได้ อย่าให้เสียท่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาทั้งทีนี่เรียกว่าเราเกิดมาถูกจุดสำคัญหนึ่งเกิดมาถูกความเป็นมนุษย์สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นใบเบียดใบบบาทเสียจริตผิดมนุษย์วิคลวิการต่างๆ 2. เราได้พบพระพุทธศาสนาและ3ยังได้มีความเชื่อความรับสายต่อศาสนาได้พื้นตนตามหลักศาสนาอีกก็เป็นเครื่องส่งเสริม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 คือบกพร่องอยู่ที่ตรงไหนให้พยายามแก้ไขจุดนั้นๆให้เป็นความเหมาะสมขึ้นมาเดียงลำดับจนกลายเป็นความสมบูรณ์ขึ้นภ า, า, ายในจิตใจเช่นเราฝึกหัดภาวนาเบื้องต้นก็ล้มลุกคุกครานขั้นฝึกหัดไปเรื่อยๆจิตใจก็มีความเข้มแข็งมีความสงบเย็นใจขึ้นมาสติปัญญากค่อยๆเกิดขึ้นปรากฏขึ้นมาแก้ที่เหลือปัญหาอสวะออกได้เป็นลําดับําั บ, บ, บจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่เหลืออยู่ภ า, ายในจิตใจท่านเรียกว่าผู้นั้นพ้นแล้วจาก กิเลสอาสวัทั้งหลายเราจะเรียกว่าภาหัน์ก็ไม่มีอะไรผิดอแต่ น, นี่เป็นชื่อเป็นนามจะเรียกหรือไม่เรียกไม่สําคัญขอให้พ้นจากทุกประจากใจแล้วเป็นที่พอใจเท่านั้น น, นี่ก็ออกจากาศาสนาธรรมคือเหมาะสมไปโดยลำนับเหมาะสมทั้งการแก้กิเลสทุกประเภทจึงเรียกว่าสวัสดาธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแต่การแก้กิเลสอาสวัทั้งหลายชอบแต่การแก้ความชั่วช้าละมกทั้งหลายที่มีอยู่ภายในกายวาจาใจของเราจนกระทั่งหมดสิ้น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 ในการเดินทางท่องเที่ยวสู่พบชาตินั้นๆให้มีความสุขสำราญบานใจตลอดกาลเมือ่อบุญญาทีสมพานมีความเกียวกล้าสามารถฉล า, าดรู้เต็มภูมิแล้วก็ผ่านพ้นได้จากพิเรอัสวะในวัฏสงสารนี้ถึงปณิพานเป็นอันว่าสิ้นทุกโดยประการทั้งปวง <timing>. <S <S การแสดงธรรมประเห็นสมควรเจรเวลาจึงข อ, อยุติเพียงเท่านี้